สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเปซูตอนที่433เรื่องภารกิจหลักของพระเยซูพี่น้องครับหากพี่น้องสังเกตดูในช่วงนี้ผมกําลังแบ่งปันเกี่ยวกับความจริงที่เกี่ยวข้องกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับก็พูดถึงการที่เรารับราชาทานพระวิญญาณบริสุทธิ์การมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา การเชิญพระเยซูเข้ามาประทับในชีวิตของผู้ที่รับเชื่อก็เป็นเรื่องเดียวกันกับการรับแบบสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่อย่างไรพี่น้องลองกลับไปฟังนะครับพี่น้องก็จะเข้าใจในวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของภารกิจหลักของพระเยซูซึ่งเป็นพระพรพิเศษสําหรับเพืสอเสียงเราและในขณะที่เราเข้ากับจะเข้าใจเรื่องภารกิจหลักของพระเยซูสองอย่างนะครับในเช้าวันนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งและเป็นคำอธิษฐานของผมที่มีต่อพี่น้องก็คือว่าอยากจะให้พวกเราได้มีโอกาสารับพระพอรตรงนี้อย่างพร้อมเพรียงกันและอย่างครบถ้วนสมบูรณ์พี่น้องครับก่อนหน้านี้พระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์นั้นพระองค์เป็นพระเจ้าแต่ยังไม่ได้เป็นวาระที่พระเยซูจะส่งพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ลงมาสถิตกับผู้เชื่อหรือที่จักอย่างถาวร นะครับพระองค์ดำรงอยู่นิรันด์ไม่ได้หมายความว่าก่อนหน้านี้นั้นพระองค์ไม่ได้ประกอบการใดๆในยุคพันธสัญญาเดิมพระองค์ทรงปฏิบัติภารกิจโดยไม่ได้หยุดหย่อนครับในการสร้างจักรวาลการผดุงรักษาไว้และการจัดเตรียมสำแดงน้ำมันถ่ายของพระองค์ให้กลายเป็นพระกัมภีร์เดิมในการที่ให้ชีวิตแก่ผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธาในการเตรียมบุคคลพิเศษสำหรับงานพิเศษต่างๆ เช่นผู้เผยพจนะหรือผู้พยากรณ์ทั้งหลายยังไงก็ตามครับผู้เผยพจนะบางท่านได้ทํานายไว้ล่วงหน้าว่าในยุค ข, ของพระเมสยาหรือพระเยซูนั้นพระเจ้าจะประทานพระวิญ ญ, ญาณแบบใหม่ครับคือการประทานพระวิญ ญ, ญาณอย่างไม่จํากัดซึ่งจะใหม่พิเศษมีความเฉพาะตัวนะครับจากใครครับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือจากองค์พระยุสคริสพระผู้ช่วยรอดของเราทั้งหลาย สองอย่างนี้นะครับได้รับการนํามาไว้ด้วยกันโดยผู้เผยพระชนะในยุคพันธสัญญาเดิมและบรรดาอาัครทูตในยุคพันธสัญญาใหม่และเราไม่สามารถที่จะแยกภารกิจหลักซึ่งในที่สุดแล้วกลายเป็นของประธานหรือของที่สําคัญมากที่เพีเยร์ซูให้กับเราสองอย่างนี้ออกจากกันและกันได้สองอย่างนี้มีอะไรครับก็คือความชอบธรรมที่พระเจ้าประทานให้ก็คือการเอาบาปออกไป และพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานให้ก็คือเอาพระวิญญาณนะครับเข้ามาในชีวิตของเราเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญครับที่น้องครับพระวิญญาณนั้นมีไว้สําหรับทุกคนที่เชื่อนะครับเฉพาะเจาะจองมากครับอิสยาได้กล่าวถึงวันที่พระวิญญาณเทลงมาจากเบื้องบนเทลงมายังผู้เชื่อในอิสยาบทที่สามสิบสองข้อสิบห้า จะพูดถึงการเทของพระวิญญาณครับอิสยาบทที่44ข้อ3ก็ยังพูดถึง พ, พระเจ้าสัญญาว่าเราจะเทน้ําลงบนแผ่นดินที่กระหายและลําธารลงบนดินแห้งเราจะเทวิญญาณของเราเหนือเชื้อสายของเราและพรของเราเหนือลูกหลานของเจ้าพี่น้องครับนี่เห็นไหมครับพระเจ้าทรงสัญญาว่าพระเจ้าจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์นอกจากอิสยาห์นะครับสองตอน เอเสเคียวก็ใช้ข้อความนี้เหมือนกันครับเมื่อพระเจ้าตรัสกับเอเสเคียว่าแล้วเขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาเมื่อเราเทวิญญาณของเราเหนือพงพัน OL, อิสราเอลนี้บันทึกไว้อยู่ในอิสเอเสเคียวบทที่สามสิบเก้าข้อยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะครับอีกตอนหนึ่งครับในโยเอลบทที่สองข้อยี่สิบแปดพระเจ้าตรัสว่าต่อมาภายหลังจะเป็นอย่างนี้คือเราจะเทรพระวิญญาณของเรา มาเหนือบนทั้งปวงพี่น้องครับคำว่าเทแปลว่าอะไรครับแปลว่าหลังลงมาจากเบื้องบนนะครับจากที่สูงนะครับอย่างไม่จํากัดนะครับเป็นรูปแบบใหม่ของการสถิตยอยู่ของพงยัญบริสุ์กับผู้เชื่อและเราเขียนนะครับว่ายอนผู้ให้แบบพิษมาผู้เผยพจาินะคนสุดท้ายนับตามลำดับนั้นสรุปข้อความนะครับ เกี่ยวข้องกับพระเมสสิยาผู้พระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้โดยกล่าวว่าเราให้ท่านทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยน้ําแต่พระองค์นั้นจะให้ท่านทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นไหครับปลดปนครั้งนี่คือคําที่ยอห์นได้กล่าวถึงพระเ ย, ยซูนะครับว่าพระเยซูเป็นผู้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านกล่าวอย่างนี้ครับว่าเราให้ท่านทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยน้ํา แต่พระองค์นั้นจะให้ท่านทั้งหลายรับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อันนี้อยู่ในพระธรรมมรารโกบทที่หนึ่งข้อแปดแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ายอนได้กล่าวถึงเป็นผู้พยากรณ์ครับว่าพระเยซูจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์กับเราให้เราทั้งหลายซึ่งผู้เชื่อ น, นั้นรับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าพระกิตติคุณทั้งสามเล่มนะครับเรียกว่าพระกิตติคุณพ้องก็คือ มัทธิวมารโกลูกานั้นใช้คำกริยารูปอนาคตครับบันทึกคำพยากรณ์ตอนนี้ของยอนว่าพระเยซูจะทรงให้บดิมานะครับแต่ในขณะที่พระกิติคุณเล่มที่สี่คือกิติคุณยอนนั้นใช้คำกริยารูปปัจจุบันาการเรามาดูนะครับว่ายอนนั้นเขียนว่ายัางไงยอนเขียนว่า ย, ยอนเพให้ปัสมา ได้พูดว่าข้าพเจ้าเองนั้นไม่รู้จักพระองค์แต่พระองค์ผู้ทรงใช้ข้าพเจ้ามาให้บัพติสมาด้วยน้ำได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่าเมื่อเจ้าเห็นพระวิ ญ, ญญาณเสด็จลงมาสถิตอยู่บนผู้ใดผู้นั้นแหละจะเป็นผู้ให้บัพติศมาด้วยพระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับคําว่าจะเป็นผู้ให้ในพระธรรมย่อ น, นั้นใช้กริยารูปปัจจุบันแสดงว่าอะไรครับ แสดงว่ากริยารูปปัจจุบันนี้ไม่จํากัดช่วงเวลานะครับกล่าวถึงไม่เพียงแต่เหตุการณ์ในวันเพนเทคสเตยเท่านั้นแต่กล่าวถึงพระราชกิจพิเศษของพระเยซูว่าพระองค์จะเป็นผู้ให้บัพพิสาด้ว่ยเพิ่มยามสุดตลอดไปครับตลอดไปสำหรับผู้เชื่อนั่นหมายความว่าครับหมายความว่าเมื่อยอนนั้นถูกเรียกว่ายอนเดอร์แบปทสนะครับพระเยซูนะครับพระเยซู ก็จะรับการขนานนามว่า Jesus the Baptist เหมือนกันขยายความครับ the Baptist นั้นมีความหมายว่าเป็นผู้ให้บัพติสมานะครับยอห์นผู้ให้บัพติสมาด้วยน้ําพระเยซูผู้ให้บัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ Jesus the Baptist หรือเราเรียกอย่างว่า Jesus the Baptizer นะครับ Baptizer ก็ ค, คือผู้ให้บัพติสมา อ น, นี้เราเห็นนะครับว่าลักษณะเฉพาะของพระราชกิจของพระเยซูคือให้บัปพิสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับนี่คือพระราชกิจอันแรกของพระเยซูแต่ถ้าเรามาดูในพระธรรมยอห์นบทที่หนึ่งข้อยี่สิบสองครับเราเห็นพระราชกิจอีกอันหนึ่งของพระเยซูเนื่องในฐานะพระเมสสโกรดในยอห์นบทที่หนึ่งข้อยี่สิบเก้านะครับความว่า จงดูพระเมสสปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสียที่นี่ก็ใช้คำกริยาปัจจุบันเหมือนกันครับที่นี่เมื่อเราเอาข้อ29กับข้อ33มาด้วยกันเราก็จะเห็นว่าพระราชกิจหลักของพระเยซูนั้นมีสองมีสองอย่างนะครับก็คือมีการขาจัดออกไปเอาออกไปและมีการใส่ของใหม่เข้ามา เอาออกไปหรือขจัดออกไปนั้นก็คือเอาความผิดบาปออกไปและเอาเข้ามาหรือใส่เข้ามาก็คือเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาและนี่เป็นพระคุณหรือของประธานยิ่งใหญ่สองอย่างครับที่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยรอดของเราได้นำมาไว้ด้วยกันโดยอะไรครับโดยบรรดาผู้เผยพระจนะในยุคพันธสัญญาเดิมและบรรดาอาทูตในยุคพันธสัญญาใหม่ นะครับการที่เอาความบาปออกไปเอาพุทธิยานประเสริฐเข้ามานะครับพระกัมภีร์เขียนชัดเจนครับเอเซเคียวในพระกัมพีเดิมนะครับบทที่สามสิบหกข้อยี่สิบห้ายิบเจ็ดได้บอกว่าเราจะเอาน้ําสะอาดพรมเจ้าและเจ้าจะสะอาดและเราจะใส่วิ ญ, ญญาณของเราภายในเจ้าและกระทาให้เจ้าดาเนินตามกฎเกณฑ์ของเราพี่น้อครับเราเห็นนะครับว่าพระพรสองอย่างเนี่ย สำคัญมากที่สุดครับก็คือว่าการที่เราจะมีพระวิ ญ, ญญาณสถิตอยู่ในชีวิตของเราได้นั้นเนี่ยเราจะต้องสะอาดเสีย ก, ก่อนแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าพระพิเดิมเอเซเคีลได้บอกว่าเป็นลําดับขั้นตอนชัดเจนว่าเราต้องเอาน้ําสะอาดผมเจ้าเจ้าจะสะอาดในวิธีการเราจะใส่วิญ ญ, ญาณของเราภายในเจ้าและจะทําให้เจ้าดําเนินตามกฎเกณฑ์ของเราพี่น้องเราจะเห็นนะครับว่าที่นี่พระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์นั้นมีความสําคัญมาก ในการทําให้ชีวิตของเรานั้นอยู่ในทางของพระเจ้าดําเนินตามกฎเกณฑ์ของพระองค์และที่สําคัญนะครับเยเรมีก็บันยายไว้อย่างนี้ว่าเราจะบรรจุพระธรมไว้ในเขาทั้งหลายและเราจะจารึกมันไว้บนดวงใจของเขาทั้งหลายเราจะให้อภัยบาปชั่วของเขาและจะไม่ จ, จํา จ, จดจดจําบาปบาปชั่วของเขาทั้งหลายต่อไปเห็นไหมครับว่าภารกิจิตทั้งสองอย่างนี้กลมเกินกันมากครับหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้เลยครับ แต่ภารกิจสองอย่างนี้คือแหละรครับเอาบาปออกไปจากชีวิตของเราและใส่พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของเราเนะคกับเมื่อฟังถึงตรงนี้พี่น้องได้มีความรู้สึกอยากขอบคุณพระเจ้าไหมครับชีวิตของเราเนี่ยในแต่ละวันแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับเราต้องสะอาดขึ้นนะครับและในวีดียวกันเราจะเปี่ยมร้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆชีวิตของเรานั้นจะกลายเป็นชีวิตที่พระเจ้าพอพระทยัย เราจะกลายเป็นชีวิตที่พระเจ้าประทานพระพรลงมาแล้วเราจะรับได้ทั้งหมดเราจะเป็นความชอบธรรมที่พระเจ้าประทานให้และเราจะมีพระวิญ ญ, ญาณที่พระเจ้าประทานให้ชีวิตของเราจึงครบถ้วนสมบูรณ์แบบขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเห็นภารกิจหลักของพระเยซูและจะรับเอาพระพรที่มาจากภารกิจของพระเยซูทั้งสองอย่างนี้คือการที่เราจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ และการที ẹ, khi, y, ่เราจะมีชีวิตที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อามีน